ปยูหะหาระเจตุปยหะหาระเนี่ยนะก็คือการจำแนกจตุจตุก็คือ4ประการเนี่ยนะจำแนก4ประการจำแนกอะไรจำแนกนิรุตอธิบายนิทานและอนุสนธินิรุตนิรุตเนี่ยแปลว่าการวิเคราะห์ก็ได้วิเคราะห์อะไร น, นะวิเคราะห์บาลีเช่นว่ารักขิตังปริปาริยติจิตย่อมถูกรักษาอันนี้ชื่อว่าเป็นการวิเคราะห์ มั้งคลที่วิเคราะห์นะถ้าเรียนนิรุติคือเรียนภาษามาก็สามารถที่จะวิเคราะห์จำแนกแจก แ, แจงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องสับแสงเป็นต้นได้หมดเลยแต่ของเราก็คงเรียนเอาแต่อัฏฐะเป็นเป็นหลักเนี่ยนะเขาบอกว่าหลายคนก็หนักใจว่าเอ้ยนี่จะต้องเรียนบาลีหรือเปล่าเนี่ยจึงจะเข้าใจธรรมะให้มากมาจะต้องไปเรียนอภิธรรมให้มันแตกฉานเลยหรือจึงจะได้เรียนเข้าใจทุกอักขระพยัญชนะไปหมดเลยนะยอมว่าดีมถ้าเรียนได้ขนาดนั้น ถ้าถามมันมาก็บอกว่าดีถ้าทำทำได้ไหมล่ะเอาถ้าทําได้มันดีนะเหมือนอะไรเหมือนอย่างว่าเนี่ยเขาทําเหมือนแบบบูแบบภาษาชาวบ้านนะก็เหมือนมีคนยกเอาข้าวมาวางไว้ต่อหน้าเนี่ยโอ้ไม่ได้ฉันต้องไปเรียนวิธีทํานาก่อนนะนะต้องไปเรียนวิธีทํานาวิธีใส่ปุ๋ยวิธีเอาน้ําเข้านาออกนาวิธีเก็บวิธีเกี่ยววิธีเอาไปสีไปนวดวิธีหุงวิธีต้มถ้าไม่รู้วิธีตามนั้นทั้งหมดไม่กินข้าว คนที่เรียนธรรมะบางคนนี่คิดอย่างนั้นเหมือนกันนะคิดซะยากหมดเลยเนี่ยนะเรียนซะยากหมดเลยอะ่ะคิดซะปวดหัวหมดเลยนะคิดให้มันยากไว้ก่อนก็เลยบอกว่าธรรมะยาก <c oughs> ก็เลยยากจริงๆกันแล้วเพราะอะไรเพราะคิดไว้ยากตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ถ้าหากว่าความรู้ในยุคนี้เนี่ยนะพระธรรมคาสอนเขาก็แปลให้เยอะก็อ่านให้มันมากเข้าไว้ก่อนเดี๋ยวมันก็แค่เข้าใจไปเองแหละเดี๋ยวค่อยรวบรวมเดี๋ยวก็เชื่อมโยงเนื้อหาอัฏฐพยัญชนะจน จนเข้าใจจนได้ตรงไหนที่ควรรู้เพิ่มเติมก็ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมไปอะไรไปเนี่ยนะก็เรียกว่าจับทิศทางในการศึกษาให้ชัดเจนไม่งั้นเนี่ยศึกษาไปศึกษาม า, านะยอมคนหนึ่งก็มาปรึกษาไม่ใช่ยอมที่นั่งอยู่ที่นี่หรอกมันต้องตกใจหรอก <c oughs> ปรึกษาก็บอกโอ๊ยไปเนี่ยเขาอันนั่นเขาไปที่ไหนเขาก็เชียร์ให้เรียนไปหมดเลยนะไปกลุ่มนี้เขาก็เข้าเรียนอะไรทุกคนจะอะไรนะ คือมันเหมือนกับสินค้าใช่ไหมโอ๊ยใครมีสินค้าอะไรก็ถือว่าตัวเองดีก็เลยเนี่ยเขาก็หนักใจมากเลยเพราะวันหนึ่งเขามีเวลาแค่ชั่วโมงคือคือที่เหลือก็มีเวลาต้องไปกับครอบครัวจะต้องทํามาหาเลี้ยงชีพเป็นต้นเนี่ยนะมีเวลาแค่วันละชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยนะไอน้นนท์ก็อยากเรียนไอ้นี่ก็อยากเรียนเพราะเขาบอกว่าดีถ้าไม่รู้อันนี้เนี่ยมัไม่ได้ไม่ได้มั้นก็เลยสองสำคัญไปหมดเนี่ยเขาหนักใจมากเลยในจะไขขึ้นให้ได้แล้วทำไงดีเห็นไามทำไงดี เขาบอกคุณเรียนไปทําไมมันเขนตั้งคําถามคุณเรียนให้มันเป็นอะไรทุกอย่างมันดีหมดก็จริงแต่ว่าเราก็มาจับว่าพระพุทธเจ้าสอนเราเพื่ออะไรสอนให้เรารู้อะไรสอนให้เราเป็นอะไรทาไมเราไม่จับที่ความประสงค์ของพระพุทธเจ้าล่ะเห็นไหมนี่แหละจะตบพยุหะหาระเนี่ยก็คื อ, คอศึกษาให้เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าประสงค์อะไรเคยรู้ไหมอธิบายแปลว่าอะไรอธิบายนะแปลว่าความประสงค์ หรือแปลว่าความต้องการก็ได้ว่าพระพุทธเจ้าต้องการอะไรอย่างที่เราศึกษาคาสอนก็เหมือนกันเราอธิบายดูซิว่าเราต้องการอะไรถ้าสิ่งที่เราต้องการเนี่ยถ้าเราเข้าใจในสิ่งที่ต้องการมันคงหาสิ่งนั้นไม่ยากปัญหายังไม่รู้ว่าต้องการอะไรเนี่ยสิอันนี้ตรงนี้ลำบากใจมากเลยว่าทำยังไงดีเหมือนกันก็ดีศึกษาพระธรรมคาสอนเราก็ต้องมาศึกษาว่า พระพุทธเจ้าประสงค์อะไรในการแสดงคําสอนแสดงศีลเพื่อประสงค์อะไรแสดงสมาธิเพื่อประสงค์อะไรแสดงปัญญาเพื่อประสงค์อะไรพุทธพจน์แต่ละอย่างเหล่านี้ประสงค์อะไรอย่างเช่นคาถาที่เราพูดถึงอยู่เนี่ยพระพุทธเจ้าประสงค์อะไรความประสงค์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่พระองค์ตรัสอย่างนี้เพราะพระองค์ประสงค์จะให้ผู้ใดก็ตามที่ใครจะพ้นจากทุกติ จากได้ประพฤติ ธ, ธรรมถ้าเขาประพฤติ ธ, ธรรมแล้วเขาจะพ้นจากทุกคติเขาจะพ้นจากอบายที่พระพุทธเจ้าสอนทั้งหมดก็เพื่อให้สัตว์เนี่ยปฏิบัติธรรมถ้าปฏิบัติธรรมแล้วจะพ้นไปจากอบายทําไมละ่ะก็เพราะว่าภิกษุชื่อว่าโกกาลิกะคิดปทุสรายในภาษารีบุตรและพระมหาโมฆลลานะเทระก็เลยเกิดในปทุมนรกเลยชื่อเหมือนดีนะมหาปทุมแปล ว, ว่าบัวดอกใหญ่ แต่ว่าแหมบวกคําว่านรกเข้ามาเข้าเลยมาไม่น่าพิศวาสเท่าไหร่ก็คือมหาปฐุมนรกอ่ะนะก็แปลบอกว่าฟังเหมือนเพราะนะแต่จริงก็คือส่วนหนึ่งของอเวจีนรกนั่นแหละเพราะฉะนั้นถามว่าพระโกกาลิกะเนี่ยนะทำไมจึงต้องไปตกในปฐุมนรกก็เพราะพระโกกาลิกะไม่รักษาจิตพระโกกาลิกะตั้งความปรารถนาเพื่อจะมีลาบสการะพระโกกาลิกะ มีจิตคิดประทะุเมื่อไม่ได้ลาบสการะอย่างที่ตัวเองต้องการก็โกรธก็เกลียดพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะนะพอโกรธเกลียดก็มิจฉ า, าสังกัปะเกิดก็มิจฉาวาจาด่าพระสารีบุตรโมคคัลลานะต่อหน้าพระพุทธเจ้าในที่สุดก็นะฟังเรื่องพิสดารดีกว่านะจะได้รู้ว่าเป็นไปเป็นมาอย่างไงใครอยากฟังเรื่องพระโกกาลิกะบ้าง คือเรื่องพระโกกาลิกะเนี่ยนะเขามีว่าพระสารีบุตรเนี่ยนะเข้าไปอาศัยอยู่ในในที่แห่งหนึ่งนะเรื่องมีว่าถามว่าภิสุโกกาลิกะเนี่ยคือใครเพราะเหตุไรจึงเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปว่าร้ายพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะต่อหน้าพระพุทธเจ้าเล่ากันมาว่าโกกาลิกะภิสุนี้เป็นบุตรของโกกาลิกะเศรษฐีในนครโกกาลิกะรัฐโกกาลิกะ ร, รัฐไหนเนาะในสิบหกรัฐนี่นะอังคะมะกทกาศีกุศลวัชชียนี่นึกไม่ออกว่าอยู่รัฐไหนพระโกกาลิกะนี่พอบวชเข้ามาแล้วอยู่ประจําในวิหารที่บิดาสร้างเอาไว้เพราะพ่อเป็นเศรษฐีจะไม่สร้างวัดตัวเองก็บวชเป็นเจ้า ว, วาดแต่เนื่องจากว่าพระโกกาลิกะนี่นะโกกาลิกะมีหลายหลายกลุ่มนะภิกษุผู้เป็นศิษย์ของพระเทวทัตชื่อว่าจูลโกกาลิกะ ก็โกราลิกะบุตรพรามนี้ชื่อว่ามหาโกากาลิก ะ, ะจุรโกากาลิกะเนี่ยนะคือใครรู้ไหมคนที่เอาเข่ากระทุ้งอกพระพระเทวทัตอ ะ, ะเทวทัตท่านบอกอผมบอกท่านแล้วท่านไม่เชื่อผมว่าท่านอย่าไปคบสารีบุตรโมคลานะพิสูจนสองรูปนั้นน่ะปรารถนาลามกไม่เชื่อผมก็เลยเอาเข่าเนี่ยทิ่มไปที่ยอดอกของพระเทวทัตก็เลยกระอักเลือด พระเทวทัตวันนั้นเนี่หลังจากกระอักเลือดนั่นแหละจึงนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ไม่เคยทาร้ายตัวเองขนาดนี้เลยเนี่ยนะก็เลยเข้าไปเฝ้าจะมาขอขมาก็เลยถูกแต่ว่าไม่ทำได้ขอขมาถูกแผ่นดินสู่ไปก่อนไอ้องค์ที่เอาเข่ากระทุ้งอกพระพระเทวทัตเนี่ยนะนะคุณเข่าไรน้ําใจอันนี้แหละเลือดกระอักเลยเชื่อว่าจูลโกกาลิกะส่วนโกกาลิกะที่เป็นบุตรพราหมณ์เนี้ยองค์เนี้ยชื่อว่ามหาโกกาลิกะแสดงว่าชื่อนี้ไม่เป็นมงคลเลยเนาะ จริงไม่แต่ชื่อว่าเทวทัตเนี่ยชื่อดีนะเทวดาให้มาโดยสับเนี่ยเทวทัตต์แปล ว, ว่าให้นะเทวะก็คือเทวดาอย่างพรหมทัตก็คือพรหมให้มานะเทวทัตก็คือเทวดาให้มาทีนี้พระเทวทัตมาทําเสียสักรูปเดียวนี่เลยชื่อนี้เลยไม่มึงคนนี่ยนะเคยได้ยินไหมใครตั้งชื่อว่าลูกชื่อลูกชื่อหลานว่าเทวทัตมั่งไม่มีใครกล้าตั้งเลยกา น, นี้ก็ ตอนนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีพระอร拉สาวกทั้งสองก็จาริกไปในชนบทพร้อมด้วยภิกษุประมาณ500รอรูป mm hmm. เมื่อวันใกล้เข้าพรรษาพระสารีบดีพระโมคคัลลานะประสงค์จะอยู่อย่างวิเวกจึงส่งภิกษุเหล่านั้นกลับไปตนเองถือบาทและจีวรนั้นก็ไปถึงโกกาลิกะคร น, นั้นในชนบทโกกาณนะโกกาลิกะครั้นถึงวิหารนั้นก็เข้าไปอยู่ใน วัดนั้นนะที่โกกาลิกะเศรษฐีสร้างเอาไว้ในวันนั้นพระโกกาลิกะก็กระทาวัดแก่พระอัคารสาวกทั้งสองท่านพระอัคารสาวกทั้งสองก็สัมโมทนาก็คือพูดด้วยความบันเทิงกับพระโกกาลิกะเหล่านั้นเสร็จแล้วก็ให้พระโกกาลิกะรับคาว่าผู้มีอายุเราจะอยู่ที่นี้สามเดือนท่านอย่าบอกเรื่องของเราแก่ใครๆแล้วก็อยู่จำพรรษาไม่ต้องเล่าให้ใครฟังนะว่าข้าพเจ้าคือใคร นะว่าเป็นพระภิกษุอะไรเป็นต้นบอกว่าพระภิสษุรูปหนึ่งก็แล้วกันที่อยู่ในวัดอ่ะนะท่า น, นพระโกกาลิกะก็เชื่อนะก็เลยไม่บอกให้ชาวบ้านรู้ว่าพระคราสาวกมาอยู่จําพรรษาอยู่ด้วยพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะท่านตกปิดไม่ให้ใครรู้จักว่าท่านคือพระคราสาวกเนี่ยนะหลังจากออกพรรษาปวารณาวันปวารณาก็ไปบอกลาพระโกกาลิกะภิกษุ ว, ว่าผู้มีอายุเราจะไปแล้วน ะ, ะโกกาลิกะภิกษุก็กล่าวว่า ผู้มีอายุท่านเนี่ยอยู่ที่นี่เสียอีกวันหนึ่งพรุ่งนี้ค่อยไปเนี่ยนะนีมนูอยู่ก่อนอีกคืนเดียวพรุ่งนี้ค่อยไปก็แล้วกันวันรุ่งขึ้นก็เข้าไปยังพระนครบอกผู้คนทั้งหลายว่าผู้มีอายุนะไปโฆษณาเลยคือแผนของเขาเขาคิดในใจแล้วว่าก่อนที่ภาษาริบุตรจะจากไปควรจะทิ้งลาบสการะเอาไว้ให้เราบ้างทีนี้ไอการที่จะให้ชาวบ้านเขาเอาลาบมาถวายเนี่ยถ้าเอามาถวายเราเขาคงไม่เอามาหรอกให้เขาเอาไปถวายภาษาริบุตร แล้วภาษาริบุตรยังไงท่านก็ไม่เอาไปหรอกท่านจะต้องกองเอาไว้ที่นี่เสร็จเราหมดอนะ่ะทีนี้ก็เลยเข้าไปบอกชาวบ้านว่าท่านพวกท่านไม่รู้ดอกหรือว่าพระอัครสาวกทั้งสองท่านมาอยู่ในที่นี้ใครๆจะไม่นิมนตท่านด้วยปัจจัยบ้างเลยหรือนะใครไม่มีอะไรจะไปถวายภาษาดิบุตรพระโมคะลานะบ้างเลยหรือชาวพนักครก็กล่าวว่าท่านเจ้าขาเทพระเถระรูปไหนทําไมท่านไม่บอกพวกเรานะน่าจะบอกกันบ้างน่าจะบอกกันแล้วอะ โกกาลิกาพิสูกนกล่าวว่าผู้มีอายุจะต้องบอกทำไมพวกท่านไม่เห็นทัทเทระสองรูปที่นั่งอยู่เหนือเทระอาจดอกหรือนั่นแหละพระอัครสาวกละชาวมัทธคอนเหล่านั้นก็รีบเร่งประชุมรวบรวมเนยไสยเนยข้นน้ำพึ่งเป็นต้นหาจีวอนมาเยอะแยะไปหมดเลยหาผ้ามาทําจีวอนก็เลยสำนวน ว, นว่ารวบรวมปัจจัยสีด้มาก โกคาริการพิสูจคิดว่าพระอนาคดส า, าวกทั้งสองเนี่ยมักน้อยอย่างยิ่งไม่ยินดีลาบที่เกิดจากประยุตตวาจาคำพูดที่ไปเกิดจากไปเรียบเคียงไปขอร้องให้เอามาถวายตัวเองอย่างนี้ท่านไม่เอาหรอกเมื่อท่านไม่ยินดีก็จะบอกให้ให้แกพิสูจน์ผู้อยู่ประจําวัดแล้วก็ให้เขาถือเอาลาบนั้นไปยังสํานักของพระเถระยังไงก็เป็นของเราหมดอ่ะนะภาษาดิบทท่านไม่เอาหรอกเย่างนั้นพอไปถึงภาษาดีบุตร เห็นแล้วก็ปฏิเสธว่าปัจจัยนี้ไม่สมควรแก่เราทั้งไม่สมควรแก่โกกาลิกะภิกษุแล้วก็กลับไปเราก็ไม่สมควรนะพิสุรูปนี้ก็ไม่สมควรเสียหายหมดเลยคนนี้โกกาลิกาพิสุก็มิฉาสังกปะโดยเฉพาะพยาบาทสังกปะก็เกิดขึ้นอาฆาตเกิดขึ้นว่าอะไรแล้วท่านพระอัคารสาวกเนี่ยเมื่อตนเองไม่รับทําไมไม่ให้เรา แล้วก็หลีกไปไม่เอาก็น่าจะให้เราสิโกรธใหญ่เลยคันนี้หลังจากนั้นพระอัครส า, าวกทั้งสองเมย์นั้นก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าวถวายบังคมแล้วก็พาบริษัทของตนจาริกกลับไปยังชนบทนั้นอีกกลับไปใหม่เนี่ยนะแต่ก็อีกนานนะพอตอนหลังกลับไปใหม่พอไปถึงนคร น, นั้นรัฐนั้นนั่นแหละตามลำดับชาวเมืองก็จาได้ว่าสองรูปนี่แหละคือภาษารีบรกับพระหมหาโมคลานะ ก็จัดแจงทานพร้อมทั้งบริขารสร้างบนดบกลางพระนครถวายทานน้อมบริหาร น, น้อมปัจจัยสี่ไปถวายพระถทระก็มอบปัจจัยเหล่านั้นให้แก่พิกสุสงฝ่ายจ้าววัดก็ไม่ชชอบขี้หน้าอยู่แล้วใช่ไหมผูกเวรไว้แล้วก็เกิดความคิดขึ้นว่าพระอัครส า, าวกนี้นะแต่ก่อนทำเป็นผู้มักน้อยทำเป็นมักน้อยไม่เอาบัดนี้กลายเป็นผู้ปรารถนาเลว เชรอยเมื่อก่อนทำทีว่าจะมักน้อยสันโดษและวิเวกนะแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วใช่ไมเห็นไหมเนี่ยโอไปนั่งอยู่กลางบ้านกลางเมืองเขาถวายเท่าไหาไร่รับหมดเลยตนน็เลยเข้าไปหาพระเถระกล่าวว่าไปตอว่าเลยนะไปต่อว่าผู้มีอายุพวกท่านนะเมื่อก่อนทำตัวเหมือนว่ามักน้อยไอคำว่าเหมือนเนี่ยแปลว่าไม่ใช่ใช่ไหมเหมือนทองอย่างเงี้ยไม่ใช่โอ้ยเหมือนดอกไม้จริง แล้วว่าดอกไม้ปลอมเนี่ยนี่ก็เหมือนกันบอกเมื่อก่อนนี่ท่านทำเหมือนมากน้อยแต่บัดนี้กลายเป็นภิกษุชั่วไปเสียแล้วท่านคิดว่าจำเราจักทำลายที่พึ่งของพระเถระคือคือโกคาริการเนี่ยนะเมื่อมันโกรธแรงเต็มที่แล้วต่อว่าพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะต่อหน้าเสร็จแล้วก็จักทาลายพระสารีบุตรพระมหาโมคคัลลานะที่ต้นต่อเลย ประสงค์จะทำลายพระสารีบุตรกับพระมหาโมกขลานะก็รีบเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับไปถึงแล้วก็ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้านั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสารีบุตรพระสารีบุตรพระมหาโมกขลานะเป็นผู้มีความปรารถนาลามกหมายว่าปรารถนาเทระนารามกก็คือปรารถนาด้วยจิตที่เป็นบาป ลุ้อำนาจแก่ความปรารถนาลามกพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนโกกาลิกาเธออยากกล่าวอย่างนั้นเธออยากกล่าวอย่างนั้นเธอจงยังจิตให้เลื่อมใสในสาริบุตรและโมกขลานะเธดเพราะสารีบุตรและโมกขลานะเป็นผู้มีศีลเป็นที่รักทั้งสองรูปท่านเป็นผู้มีศีล น, นะศรัทธาเธออย่าไปโกรธเลยทําใจให้เลื่อมใสเธออย่าโ ก, กรธเลยไม่ดี แม้ครั้งที่สองโกกาลิกาภิกษุก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาของข้าพระองค์คือข้าพระองค์นี่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีพระพุทธพจน์อันข้าพระองค์พึงเชื่อถือได้ก็จริงแต่ก็มีเหตุผลถึงอย่างนั้นนะมีเหตุผลว่า ภาษาริบุตรพระโมคคัลลานะก็เป็นผู้มีความปรารถนาลามกลุ่มอำนาจแห่งความปรารถนาลามกพระเจ้าค้าเชื่อนะพระพุทธเจ้าเชื่อที่พระพุทธเจ้าพูดก็เลื่อมใสแต่ว่าสองคนนั้นเลวสรุปเนี่ยนะภาษาริบุตรพระโมคคัลลานะนี่เลวโกกาลิกาเธออยากกล่าวอย่างนั้นเธออยากกล่าวอย่างนั้นจงเธอจงยังจิตให้เลื่อมใสในสาิบุตรและโมคคัลลานะเธอเพราะสาิบุตรและโมคคัลลานะเป็นผู้มีศีลเป็นที่รัก พะโกคาริกาก็ตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาของข้าพระองค์เป็นผู้มีพระพุทธพจน์อันข้าพระองค์พึงเชื่อถือได้ก็จริงถึงอย่างนั้นพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะก็เป็นผู้มีความปรารถนาลามกรู้อำนาจแห่งความปรารถนาลามกพระเจ้าค้าโกการิกาเธออยากกล่าวอย่างนี้เธออยากกล่าวอย่างนี้ เธอจงยังจิตให้เลื่อมใสในสาริบุตรในโมคลานะเธอเพราะสาริบุตรและโมคลานะเป็นผู้มีศีลอันเป็นที่รักเ <c> ก <oughs> ิดที่บอกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยจริงๆพระ อ, องค์เห็นพระโกกาลิกะภิกษุนั้นรีบร้อนมาถึงก็พิจารณาทราบอยู่ว่าภิกษุนี้มาเพื่อจะด่าพระอัครสาวก ค, คำพูดเมื่อกี้เนี่ยถือว่าเป็นคําด่าที่ร้ายแรงร้ายกาบมากเนย น, น, นะด่าว่าพระสาริบุตรพระโมคลานะเป็นผู้ที่ ปราถนาลามมกเนี่ยนะคำนี้ถือว่าเป็นคําที่หนักมากๆสาหัสที่สุดแล้วนะเพราะฉะนั้นเราจะห้ามได้ไหมเนาะพระพุทธเจ้าเห็นว่าพระพุทธเจ้าก็ห้ามไม่ได้เพราะเธอทําผิดในพระเถระทั้งสองมาแล้วรู้นะห้ามไม่ได้เพราะไปด่าภาษาดุบทพระโมกขลานะต่อหน้าแล้วไปด่ามาว่ายังไงแม้เมื่อก่อนนะ ท, ทําทีเป็นผู้มีความมักน้อยแต่บัดนี้ไม่ใช่เนี่ยมันก็ถูกเรียกว่าด่าภาษาดุบทมาเรียบร้อยแล้วละ่ะ จะเกิดในปทุมนรกโดยส่วนเดียวรองก็ห้ามถึงสามครั้งว่าอย่าพูดอย่างนี้เลยเพื่อเปลื้องวาทะว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบว่าโกกาลิกะติเตียนพระติเตียนสาริบุตรและพระโมคคัลลานะก็ยังไม่ห้ามพระพุทธเจ้าก็แสดงว่าอรยิย ป, ปวารมีโทษมากอย่าไปพูดอย่างนี้นะอย่าไปว่าพระอริยะแบบนั้นมาเหวังเธอ่าได้พูดอย่างนั้นจริงๆกขาบอกว่าศรัทธาที่โกเรียกเรียก ตามความเชื่อคือนำมาซึ่งความเลื่อมใสเป็นวาจาที่ควรเชื่อสรุปว่าเชื่อพระพุทธเจ้าก็จริงแต่ว่าภาษาบุตรพระโมคคัลลานะปรานานามกทีนี้ด้วยอานาจกรรมของตนเนี่ยนะกรรมเป็นปัจจัยก็ทำให้โกกาลิกะลุกขึ้นจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้ากระทำประทักษิณแล้วหลีกไปเมื่อโกกาลิกะภิกษุหลีกไปแล้วไม่นานร่างกายเท่าตุ่ม ขออภัยร่างกายมีตุ่มเท่าเมล็ดพันธุ์อากาศก็เกิดขึ้นทั่วตัวอะไรนะคล้ายๆผลเล็กๆก็เต็มตัวไปหมดใช่ไหมตุ่มเหล่านั้นก็เท่าเมล็ดถั่วเขียวแล้วก็โตเท่าเมล็ดถั่วดำแล้วเท่าถั่วดาก็อีสุวิสัยเลยนะปัญหาว่ามันไม่เท่าแค่ตแค่นั้นนะเสียแล้วก็โตเท่าเมล็ดพุทราแล้วก็โตขึ้นเท่าเมล็ดกระเบลนะเมล็ดกระเบลก็โตเหมือนกันนะแล้วก็โตเท่าผลมะขามป้อมเท่าโป่งมือแล้ว นมาขามป้อมแข็งนิ่มโตนะนเท่าดอกกุหลาบนี่แหละแล้วก็โตเท่าผลมะตูมอ่อนแล้วก็เท่ามะตูมแก่แล้วก็แตกน้องและเลือดก็ไหลออกมาโอ้โหหนักมากเลยนะนองเลือดไหลเยิ้มไปหมดได้ยินว่าโกกาลิกะาพิสูจนั้นนอนบนใบตองกล้วยเหมือนปลากินยาพิษนะครับวันเหนือเลือดนี่ไหลท่วมนองไหลเยิ้มไปหมดเลย ครั้งนั้นแลตุทิปัจเจกับพรมก็คือพรมที่เป็นอุปชาของโกกาลิกะภิกษุก็เข้าไปหาพระโกกาลิกะถึงที่อยู่พรมนี่เป็นอุปชานะแต่ท่านบรรลุปฏิบัติธรรมบรรลุเป็นพระอนาคามีบรรลุเป็นพระอนาคามีตอนหลังท่านก็จุติแล้วก็ไปเกิดในพร ม, มโลกท่านเห็นว่าลูกศิษย์ของท่านกําลังเสื่อมใหญ่ท่านก็เลยจะเข้าไปห้ามก็เลยเข้ามาหาพระโกกาลิกะถึงที่อยู่ครั้นแล้วก็ยืนอยู่ที่เวหาดยืนบนอากาศ คิดว่าจะเชื่อไหมขนาดห่อมาเทศให้ฟังนะก็ได้กล่าวกับโกกาลิกาภิกษุว่าดูก่อนโกกาลิกาท่านจงยังจิตให้เลื่อมใสในพระสารีบุตรและพระมหาโมคคลานะเถิดเพราะพระสารีบุตรและพระมหาโมคคลานะเป็นผู้มีศีลเป็นที่รักโกกาลิกาภิกษุก็ถามว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุท่านเป็นใครถามเลยเป็นใครงั้นเราเป็นทูตุทิปัจเจกพรหม คืออุปชาของท่านนั่นแหลโกคาริกาเนี่ยแทนที่จะเลื่อมใสในนาย ไ, นได้ใช่ไหมไอความที่มิจฉาสังกัปปะมันเกิดมากะนะมิจฉาสังกัปะเกิดมากก็พลุ่งออกมาทางวาจาเป็นมิจฉาวาจาต่อไปว่าอาวุโสท่านเป็นผู้ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพยากรณ์ว่าเป็นอนาคามีไม่ใช่หรือเมื่อเป็นเช่นนั้นทนายอชนท่านจึงมาในที่นี้อีก ในบัดนี้อันหนึ่งท่านจงเห็นความผิดนี้ของท่านเท่าที่มีอยู่ โ, โหหนักมากเลยอนาคามีแปลว่าผู้ไม่กลับมาสู่โลกนี้อีกนี่ท่านพูดเนี่ยเนะี่ยท่านทําผิดรู้หรือเปล่าถ้านาคามีเขาไม่มากันหรอกเนี่ยนะท่านเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าอนาคามีแล้วเขาไม่มากันแล้วท่านมาทําไมไม่รู้ความผิดของตัวเองอีกหรือเนี่ยผิดร้ายแรงมากเลยนะเนี่ยเพราะพระพุทธเจ้าตัดว่าอนาคามีคือผู้ไม่มาอีกแล้ว อ๋อนะพวกนี้เรียนธรรมะไม่จบมันก็เป็นอย่างนี้เลยไอ้คําว่าอนาคามีแปลว่าไม่มาปฏิสนธิในโลกนี้แต่ไม่ใช่ว่าไม่มาโลกนี้เพื่อฟังธรรมมาเพื่อสงเคราะห์สัตว์อื่นมาแต่ไม่ได้มาเกิดเนี่ยนะคนละประเด็นกันอันนี้ก็ก็เลยหาเรื่องนะนะคนโกรธนี่มันหาเรื่องกันได้เขาบกเธอเนี่ยเลวมากแกก็ดีนักหรือไงอย่างเงี้ยนะคล้ายๆแบบเนี้ยนะดาพรหมโลกไอ้ดาพรหมิกเนี่ยนะ ตุที่ปเจกพรมก็ได้กล่าวกับโกกาลิกะภิกษุด้วยคาถาเนี่ยนะแม่ก็ยังว่าอุปชาอาจารย์ก็สงสารลูกศิษย์นะก็สอนว่าพุสวาจาคำพูดหยาบเพียงดังจอบซึ่งเป็นเครื่องตัดทอนตนของคนพานผู้กล่าวคำชั่วย่อมเกิดขึ้นที่ปากของบุคคลผู้เป็นบุรุษพานผู้ใดสันเสริญผู้ที่ควรติเตียนหรือติเตียนคนที่ควรสรรเสริญ ผู้นั้นชื่อว่าสะสมโทษไว้ด้วยปากย่อมไม่ประสบความสุขเพราะโทษนั้นในอัตถกถาอธิบายคําว่าคําว่าติเตียนคนที่ควรสันเสริญสันเสริญคนติเตียน น, นนะก็คือบทว่าฉินทติได้แก่ย่อมตัดที่รากทีเดียวกล่าวคือกุศลมูลบทว่านินที่ยังได้แก่บุคคลผู้ศีลที่พึงติเตียน ประสังสติได้แก่ชมเชยประโยชน์สูงสุดจึงกล่าวว่าพระขีณาศพคือไปชมคนทุศีลว่าเป็นพระอรหันต์นะนะบทว่าตังวานินทติโยประสังสิโยก็หรือว่าผู้ใดอันเข้าพึงสรรเสริญเป็นพระขีณาศพโกคาริกะนี้ยังโจดผู้นั้นกล่าวว่าเป็นภิกษุผู้ทุศีลคือคนทุศีนอะไปชมว่าเป็นพระอรหันต์ไปด่าพระอรหันต์ว่าเป็นคนทุศีล วิจินาติโมเขณโสกลิง่งความว่าผู้นั้นชื่อว่าพบโทษนั้นด้วยปากกะลินาเตนะความว่าย่อมไม่พบความสุขเพราะโทษนั้นจิงอยู่การสรรเสริญผู้ที่ควรติเตียนและการติเตียนผู้ที่ควรสรรเสริญมีวิบากเสมอกันชมคนที่ควรติติคนที่ควรชมนะ่ะบาปเท่ากันตำหนิคนที่ควรตำหนิชมที่คนที่ควรชมด้วยกุศลจิตก็มีบุญ ก็ประสบบุญเท่ากันเพราะฉะนั้นผู้ใดสรรเสริญคนที่ควรติหรือติคนที่ควรสรรเสริญผู้นั้นชื่อว่าสะสมโทษเอาไว้มากด้วยปากย่อมไม่ประสบความสุขเพราะโทษนั้นการปลาชัยด้วยทรัพย์ในการเล่นการพนันด้วยตนเองจนหมดตัวนี้ชื่อว่ามีโทษประมาณน้อยเคยได้ยินข่าวมาอย่างนายธนาคารคนหนึ่งที่เล่นการพนันจนหมดตัวหมดเนื้อหมดตัวหมดทุกอย่างในที่สุดก็ ฆ่าตัวตายอันนี้ก็ถือว่าเสียหายเล็กน้อยแต่การที่บุคคลที่ยังใจให้ประทุสร้ายคือโกรธนพระอริยเจ้าผู้ดำเนินไปดีแล้วเป็นโทษมากกว่าบุคคลตั้งวาจาและใจอันเป็นบาปนะนะด้วยด้วยอกุศลเนี่ยนะนะแล้วติเตียนพระอริยเขาย่อมเข้าถึงนรกสิ้นหนึ่งแสนนิรบพุทธอีกสามสิบหกนิรภพุทธและห้าอพุทธ ตัวเลขเนี่ยตัวนี้ตัวเลขเกินหลักสิบทั้งหมดเลยนะเลขศูนย์เกินหลักสิบหมดเลยครั้งนั้นแหลโกกาลิกาพิสุก็ทากาละด้วยอาพาธนั่นเองแล้วก็เกิดในปทุมนรกนะนะเหมือนดีใช่ไหม <uckles> เพราะยังจิตให้โกรธอาพาตในภาษาธิบุตรและพระมหาโมคคลานะคำว่าปทุมนรกนี่เป็นชื่อของส่วนหนึ่งในอเวจีนรกนั่นแหละ ลำดับนั้นเมื่อปฐมมยามแห่งราตรีผ่านไปเทา้าสามบดีพรมสามบดีพรมคือใครก็พรมที่อาราธนาพระพุทธเจ้าให้แสดงธรรมานะพรมมาจโลกาธิปติสามปติองคนั่นแหละก็มีวันณนะงามสง่างามอย่างพระวิหารเชตวันทั้งสิ้นให้สว่างสวเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วก็นั่งหนะ้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโกกาลิกะภิกษุกระทํากาละแล้วเกิดในปทุมนรกเพราะยังจิตให้อาฆาตโกรธแค้นในภาษารีบุตรและพระหมหาโมกขลานะพระเจ้าค่าเท้าสามบดีพรหมกราบทูลดังนี้แล้วก็ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้ากระทําประทักษิณแล้วหายไปณที่นั้นเองครั้งนั้นเมื่อราตรีผ่านไปแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า ดูก่อนสูกนุทั้งหลายในคืนนี้เมื่อปฐมมยามผ่านไปแล้วเท้าสามบดีพรหมผู้มีวันะสง่างามอย่างพระวิหารเชตวันทั้งสิ้นให้สว่างสวัยเข้ามาหาเรายังที่อยู่อาพิวาแล้วนั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กล่าวกับเราว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโกกาลิกาภิกษุกระทำกาละแล้วเกิดในปุมนรกเพราะยังจิตให้อาฆาตโกรธแค้นในพระสารีบุตรและพระมหาโมกขลานะ ดูก่อนพี่สุทั้งหลายเท้าสามบดีพรมครั้นกล่าวคํานี้แล้วอภิวาสเรากระทำประทักษิณแล้วหายไปณที่นั้นเองเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วพี่สุรูปหนึ่งได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญประมาณอายุในปทุมนรกเนี่ยนานเท่าไหร่หนออายุนานไหมพระเจ้าข้าปทุมนรกยมว่านานไหมนานนานแต่แค่ไหนอะ <c oughs> พระพุทธเจ้าตรัสต่อว่าดูก่อนภิกษุประมาณอายุในปฐุมนรกเนี่ยนานนักประมาณอายุในปฐุมนรกนั้นนะ่ะยากที่จะทำการกำหนดกหนดนับได้ว่าเท่าประมาณเท่านี้ปีประมาณเท่านี้ร้ยปีประมาณเท่านี้พันปีหรือประมาณเท่านี้แสนปีนานจริงๆขนาดพระพุทธเจ้าตรัสคำนี้เนี่ยมันแปลว่าอะไรแปลว่านานมาก พระภิกษุนี่ก็ไม่ยอมะนะสรุว่าเข้าใจแล้ววานา น, น่ะเป็นแสนแสนตีก็แล้วกันน่ะถ้าแต่พระองค์ผู้เชิญก็พระองค์อาจเพื่อจะกระทําการเปรียบเทียบได้หรือพระพุทธเจ้าค่ะอุปมาได้ไหมพระผู้มีพระภาคก็ตรัสว่าอาจอยู่ภิกษุแล้วก็ตรัสว่าดูก่อนภิกษุเปรียบเหมือนหนึ่งเกวียนเมล็ดงาของชาวโกศลมีมีอัตรายี่สิบคารีเนี่ยนะก็คือหนึ่งคารีก็เท่ากับสองร้สี่สิหกธนาน 20ขารีก็ประมาณสักสิกระสอบนะก็ประมาณเมล็ดงาสักสิบกระสอบเนี่ยนะสิกระสอบปานใหญ่อะ่ะหรือเหมือนกับว่าเอาแล้วกัเมล็ดงาเต็มลําเกวียนอ่ะนะเมื่อล่วงหนึ่งแสนปีบุรุษคนหนึ่งเอาเมล็ดงาหนึ่งเม็ดออกจากเกวียนนั้นดูก่อนภิกษุเมล็ดงานหนึ่งเกวียนของชาวโกศลที่มีอัตรา20ขารีนั้นอะ่ะพึงถึงความสิ้นไปโดยทํานองนี้เร็วกว่า นั่นยังไม่ถึงหนึ่งอภพุทธในนรกเลยก็บอกว่าอะไรนะหมดไปแล้วหมดไปหนึ่งเล่มเกวียนแล้วนะแสนปีออกเม็ดหนึ่งไหมก็บอกยังไม่ถึงหนึ่งอภพุทธในนรกเลยดูความพิสูนทั้งหลาย20าิบอัพุทธเป็นหนึ่งนิรัพุทธยี่สิบนิรัพุทธเป็นหนึ่งอภพะยี่สิบอภพะเป็นหนึ่งอาหะยี่สิบอะหะเป็นหนึ่งอตะตะอตะยี่สบอตตะเป็นหนึ่งกุมุทะยี่สิบกุมุทะเป็นหนึ่ง โสคันธิกะ20โสคันธิกะเป็นหนึ่งอุปละละอ่าอุปละยีสิอุปละเป็นหนึ่งปุณธิกบุทริกก็บัวบุญทริกแล้วนะยี่ิบปุณธิกเป็นหนึ่งปทุมะดูก่อนภิกษุโกกาลิกะเกิดในปทุมนรกเนี่ยปทุมะเนี่ยนะเขาคิดดูนะว่ามันอันนั้นมันนานขนาดไหนโกกาลิกะเกิดในปทุมนรกเนี่ยนะเพราะยังจิตให้อาคาตในพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะ อันนี้มันกี่ล้านล้านล้า น, ลานตีไม่รู้เนี่ยนะตัวเลขเนี่ยถ้าถ้า ถ, ถ้าเอาปีมาตั้งเนี่ยเลขศูนย์น่าจะเกินห้าหกสิบตัวเนี่ยนะก็อายุปีนะเครื่องวัดคือปีเนี่ยนะเลขศูนย์เกินห้าหกสิบตัวพระพุทธเจ้าก็ตรัสเป็นคาถาประพันว่าพุทธสวาจาเพียงดังจอบมิชาว aja าานี่เหมือนจอบขุดใครก็เครื่องตัดตอนคนพานนั่นแหละพูดเองแล้วใครเดือดร้อนอย่างนี้ก็ตัวเองนั่นแหละเดือดร้อน ผู้กล่าวคำชั่วย่อมเกิดที่ปากของบุคคลผู้เป็นบุรุษพานผู้ใดสรรเสริญผู้ที่ควรติเตียนหรือติเตียนคนที่ควรสรรเสริญผู้นั้นชื่อว่าสะสมโทษไว้ด้วยปากย่อมไม่ประสบความสุขเพราะโทษนั้นการตราชัยด้วยทรัพย์ในการเล่นการพานันด้วยตนเองจนหมดตัวเป็นโทษมีประมาณน้อยการที่บุคคลยังใจให้ประทุสร้ายในพระอริยเจ้าผู้ดำเนินไปดีแล้ว มีโทษมากกว่าบุคคลตั้งวาจาและใจอันเป็นบาปแล้วติเตียนพระอริยะย่อมเข้าถึงนรกสิ้นหนึ่งแสนนิรัพุธากับ36นสิบหกนิธและห้าอภูธาโอ้มันเยอะมากมายเลยนะสะรุปว่านานมากว่านั้นเถอะนั้นนรกเนี่ยนานมากเหมือนอย่างร้อยแสเป็นหนึ่งโกดใช่ไหมร้อยแสนเป็นหนึ่งโกดชั้นใดร้อยแสโกดชื่อว่าหนึ่งตะโกด 100, ร้อยแ 0,000 นตะโกดชื่อหนึ่งว่าโกดโกดตะโกด ร้อยแสนโกดรประกฏชื่อว่าหนึ่งนหนดร้อยแสนหนหดเป็นหนึ่งนินหนหดร้อยแสนนินหนหดเป็นหนึ่งอั พ, พุทธอันนั้นทุกอย่างร้อยแสนหมดเลยไล่ไปเรื่อยๆแต่นั้นอ่ะยี่สิบพุทธคูณขึ้นไปจนเป็นนิรภพุทธก็ไล่ไปยัถึงกว่าจะถึงปทุมะเนี่ยนะ<ม>ก็ตัวเลขร้อยสี่เกือบถึงอสงไขยอสงไขยตัวเลขเท่าไหร่นะเลขศูนย์ร้อยสี่สิบตัวนี้ก็น้องๆอสงไข่นัออนะ่นแหละกนะ็ตกนรกนานขนาดนั้นอะนนอเวจีมหานรกนะ ปทุมมานรกนี่เป็นชื่อของอเวจีนรกทีซึ่งมันนานมากเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าที่พระพุทธเจ้าประสงค์ประสงค์บอกว่าประสงค์อะไรประสงค์ว่าให้รักษาจิตคือรักษาจิตรักษาด้วยสติรักษาด้วยความไม่ประมาทเนี่ยนะเมื่อรักษาจิตด้วยความไม่ประมาทให้จิตโครจรไปด้วยอํานาจของ สัมมาสังกัปปะแล้วก็ทําทุกอย่างให้มีกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิวิปัสสนาสัมมาทิฏฐินําหน้าพิจารณาเห็นความเกิดความดับของวัตตะแล้วก็ปฏิบัติเพื่อละทีนามิทะก็จะละทุกขติทั้งปวงได้ที่พระองค์ตรัสอย่างนี้เนี่ยพระองค์อยากให้รู้ว่าผู้ใดที่เกลียดทุกจะได้ปฏิบัติธรรมและจะได้พ้นจากทุกเนี่ยนะอันนี้คือความประสงค์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ อันนั้นจะตุปประยุหะหาราเนี่ยก็คือการจำแนกสี่ประการใช่ไจำแนกนิรุติจำแนกอธิบายจำแนกนิทานและอนุสนธิจำแนกอธิอันนี้อธิบายอธิบายแปลว่าความประสงค์ความประสงค์ของพระพุทธเจ้าในการแสดงธรรมแสดงธรรมธรรมที่ว่าเพราะฉะนั้นภิกษุพึงเป็นผู้รักษาจิตครอบงำถีนะ่มิถะมีความดั่งริดชอบเป็นโคจรกระทำสัมมาทิฏฐิไว้เป็นเบื้องหน้ารู้ความเกิดและความเสื่อม แล้วเพึงละทุกคติทั้งปวงอันนี้คือความประสงค์ของพระพุทธเจ้าอยากให้ปฏิบัติธรรมถ้าปฏิบัติธรรมแล้วจะพ้นไปจากทุกข์ก็จะไม่ต้องเดือดร้อนแบบพระโกกาลิกะเนี่ยนะท่นพระองค์ไม่ได้สอนไม่ให้เจริญสัมมาสังกปะใช่ไหมสอนให้เจริญสัมมาสังกปะเมื่อเจริญสัมมาสังกปะโดยที่มีสัมมาทิฏฐินําหน้าก็ปฏิบัติตามนี้ก็พ้นจากทุกข์ได้